บทที่63อย่าสะสมบาปไว้ที่ปากทุกคืนตั้งแต่สองทุ่มถึงห้าทุ่มเป็นเวลาที่พระเจริญทาหน้าที่บีบนวดให้หลวงพ่อเดิม นับแต่วันแรกที่เข้ามาอาศัยร่มไม้ชายคาของวัดนี้พระหนุ่มม่เคยละเว้นการปฏิบัติหน้าที่แม้เพียงครั้งเดียวค่ำคืนนี้ก็เช่นกันและแทนที่จะเ้ารซีถามเรื่อศึกเช่นคืนก่อนๆท่านกลับพูดขึ้นว่าหลวงพ่อครับวันนี้ผมเรียนรู้วิธีอ่านบาลีด้วยตนเองไม่ทราบว่าจะผิดหรือถูกประการใดไม่มีผิดหรอกคุณ ถูกต้องทั้งหมดตามที่คุณเข้าใจผมยังไม่ได้กราบเรียนให้ทราบเรื่องวิธีการเรียนรู้และเหตุไหนหลงพ่อจึงบอกว่าถูกต้องทั้งหมดหลวงพ่อไม่ได้พูดเพื่อเอาใจผมนะครับทำไมฉันต้องเอาใจคุณฉันเพียงแต่พูดไปตามความจริงเท่านั้นเองก็คุณตั้งกฎขึ้นมาสามข้อใช่ไหมและกฎที่คุณตั้งขึ้นมานั้นก็ถูกต้องทุกข้อ ฉันจึงพูดว่าถูกต้องทั้งหมดแบบนี้ฉันพูดเอาใจคุณหรือเปล่าพิกสุชาราย้อนถามและหลวงพ่อทราบได้อย่างไรล่ะครับพิกสุหนุ่มรู้สึกพิศวงก็อย่างที่ฉันเคยบอกคุณยังไงล่ะว่าจิตที่ตั้งมั่นทำอะไรก็ได้หมดเหมือนเรื่องเนนที่คุณเล่าให้ฟังเมื่อคืนก่อนที่บริกรรมนะโมพุทธายะ ปลุกให้พระนั่งได้แต่พอเปลี่ยนมาว่านะโมพุทธายะเพราะใจรวนเรพระเลยนั่งไม่ได้ฉันก็อาศัยหลักเดียวกันนี่แหละแต่ผมไม่เห็นหลวงพ่อต้องนั่งหลับตาบริกรรมอย่างเนรเลยนี่ครับอยู่ๆหลวงพ่อก็พูดและก็ตรงกับความจริงก็ฉันฝึกจิตจนตั้งมั่นเป็นปกติวิสัยแล้ว จึงสามารถนำมาใช้ได้ภายในพริบตาโดยไม่จำเป็นจะต้องนั่งบริกรรมผิดกับพวกหมอหมดหมอผีหรือว่าพวกหมอดูทั้งหลายที่ต้องนั่งหลับตาบริกรรมทำปากขมุบขมิบเสกอนแล้วจึงบอกได้ซึ่งบางครั้งก็เป็นการคาดเดาไม่ได้รู้แจ้งเห็นจริงดังที่อวดอ้างเยอะว่าแต่คนพวกนี้เลย แม้พวกพระอย่างเราๆก็มีไม่น้อยที่หากินแบบนี้และไม่บาปหรอครับโดยเฉพาะพระน่าจะผิดวินัยด้วยไม่ใช่น่าจะรอกผิดเต็มที่เลยเชียวและเพราะถ้าตนไม่รู้แจ้งเห็นจริงแล้วไปทำนายทายทักว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ เมื่อไม่ได้เป็นดังที่พูดก็เท่ากับโกหกจริงไหมละ่ะจริงครับแมหลวงพ่อครับผมอยากทําได้อย่างหลวงพ่อจังเลยอยากรู้ว่าคนอื่นเขาคิดอย่างไรเขาพูดจริงกับเราหรือว่าโกหกถ้ารู้ได้อย่างนี้คงสนุกดีนะครับมันก็ไม่แน่เสมอไปเพราะถ้าคุณนำความรู้ไปใช้ในทางที่ผิดแทนที่จะเป็นประโยชน์กลับเป็นโทษ แล้วความรู้ที่ผมได้ละครับหลวงพ่อที่ผมคิดสะกดสามข้อได้ทั้งที่จิตผมยังไม่ได้ตั้งมั่นภิกษุหนุ่มสงสัยรู้แบบนั้นเป็นการรู้ด้วยปัญญาซึ่งย่อมถูกต้องตามความเป็นจริงผิดกับการรู้ด้วยตัณหาอุปทานซึ่งมักจะผิดพลาดไม่ถูกต้องและคำว่าย่อมกับมัก มันต่างกันอย่างไรครับหลวงพ่อพระเจริญถามอย่างนึกสนุกคิดว่าภิกษุชาราจะตอบไม่ได้แทนคำตอบหลวงพ่อเดิมกลับย้อนถามว่าคนย่อมตายกับคนมักตายสองประโยคนี้มีความหมายเหมือนกันหรือเปล่าล่ะไม่เหมือนครับผู้อ่อนวัยตอบไม่เหมือนอยังไงไหนลองอธิบายมาสิคือถ้าเราพูดว่า คนย่อมตายหมายความว่าทุกคนไม่มีละเว้นไม่ว่าจะผมหลวงพ่อเนนเวาพระอุ้ยหรือใครๆล้วนต้องตายทุกคนแต่ถ้าพูดว่าคนมักตายก็หมายความว่ามีบางคนเท่านั้นที่ตายแต่บางคนไม่ตายเป็นต้นว่าหลวงพ่อกับผมไม่ตายแต่พระอุ้ยและคนอื่นๆตาย เข้าใจยกตัวอย่างนะให้คนอื่นตายตัวเองไม่ตายหลวงพ่อเดิมหัวเราะหึอหหลวงพ่อด้วยครับผมกับหลวงพ่อไม่ตายพระหนุ่มย้ำแต่มันเป็นไปไม่ได้นะสิทั้งฉันทั้งคุณก็ต้องตายเดียกันทั้งนั้นเพราะมันเป็นกฎธรรมชาติที่นี่คุณก็คงเข้าใจแล้วใช่ไหมที่ฉันกล่าวว่าการรู้ด้วยตัรหาอุปทาน มักผิดพลาดนะ่ะท่านทวนคำถามเรื่องเดิมเข้าใจแล้วครับเข้าใจว่ายังไงไหนลองพูดให้ชั้นฟังหน่อยสิเข้าใจว่าบางครั้งมันก็ผิดบางครั้งมันก็ถูกไม่แน่นอนส่วนการรู้ด้วยปัญญานั้นถูกต้องแน่นอนครับเออคุณเก่งหลวงพ่อเดิมชมครับแต่ก็เก่งน้อยกว่าหลวงพ่อ ผมอยากรู้อะไรอะไรอย่างที่หลวงพ่อรู้ผมต้องฝึกจิตให้ตั้งมั่นใช่ไหมครับถูกต้องคุณเป็นคนมีปัญญาอยู่แล้วนี่ถ้าฝึกจิตให้ตั้งมั่นได้ก็รับรองว่าไม่มีใครเทียบคุณได้เลยแม้แต่ฉันหลวงพ่อคงจะยอผมมากไปแล้วกระมังครับอย่างผมรู้จะเก่งกว่าหลวงพ่อแค่คิดว่าเก่งเท่าหลวงพ่อผมก็ไม่กล้าคิดแล้ว ภิกษุหนุ่มพูดอย่างอ่อนน้อมถ่อมตนฉันไม่ได้ยกยออะไรคุณหรอกนะแต่ฉันพูดความจริงคุณไม่เหมือนกับคนอื่นรู้ตัวหรือเปล่าว่าตัวเองมีดีอะไรในตัวบ้างก็พอรู้รู้ครับพระหนุ่มตอบไอ้ายๆท่านคิดว่าดีคือความมีรูปสวยเช่นอะไรก็ความหรอนะครับ ผมรู้ว่าตัวผมหลอ่อเข้าตำรารูปหล่อพ่อรวยหลวงพ่อไม่รู้อะไรสมัยที่ผมเรียนที่บางกอกเวลาเดินผมต้องถือไม้สองอันเอาไว้ทำอะไรคราวนี้หลวงพ่อเดิมสงสัยบ้างเอาไว้ไล่พวกคู้หญิงที่มารุมจีบครับท่านตั้งใจยั่วยาวหากหลวงพ่อเดิมกลับว่าเพ้อเจอคุณ น, นี่ชอบพูดเพ้อเจออย่าหัด สะสมบาปไว้ที่ปากท่านสั่งสอนพระหนุ่รู้สึกเจ็บลึกๆเข้าไปในหัวอกหน้าม้อยลงทันใดที่ฉันต้องการจะบอกก็คือคุณมีอะไรที่ไม่เหมือนคนอื่นทั่วตัวไปเช่นรูปร่างสูงใหญ่เหมือนคนโบราณรู้ไหมทำไมถึงเป็นเช่นนี้ไม่ทราบครับแล้วอยากรู้ไหมไม่อยากครับ ภิกษุหนุ่มแกล้งยับภิกษุชราโทษฐานที่มาว่าท่านสะสมบาปไว้ที่ปากเอาล่ะไม่อยากก็ไม่เป็นไรแต่ฉันอยากให้คุณรู้ก็เลยจะบอกว่าที่คุณรูปร่างสูงใหญ่ผิดคนอื่นๆนั่นน่ะเพราะคุณเคยเป็นแม่ทัพเอกสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายเป็นแม่ทัพหนุ่มส่วนฉันน่ะเป็นแม่ทัพเท่า ที่เขาปลดระวางแล้วแต่ฉันก็ได้ถ่ายทอดยุทธวิธีในการทำศึกให้กับคุณฉันไม่เคยบอกเรื่องนี้แก่ใครมาก่อนคุณจะเชื่อหรือไม่ก็ตามแต่อย่าเพิ่งเชื่อฉันแหละดีเอาไว้คุณฝึกจิตให้ตั้งมัน่นแล้วก็ลองตรวจสอบดูโดยตัวเองอีกครั้งแล้วจึงค่อยเชื่อแต่ที่คุณสามารถตรวจสอบได้เดี๋ยวนี้ก็คือนิ้วมือของคุณ นิ้วมือของผมเหรอครับพระหนุ่มหยุดนวดกลางนิ้วมือทั้งสิบดูไม่เห็นมีความผิดแปลกแตกต่างอะไรจึงบอกท่านว่าไม่เห็นมีอะไรนี่ครับหลวงพ่อผมก็มีสิบนิ้วเหมือนกับคนอื่นๆคนอื่นๆบางคนสิอีกที่ไม่มีเหมือนผมเพราะมีตั้งสิบเอดนิ้วท่านพูดรุนๆหมายยั่วให้พิสุชารากโกรธให้ได้ มีของดีอยู่ในตัวกลับไม่รู้ต้องให้คนอื่นเขาบอกนี่ถ้าฉันไม่บอกจางคุณก็ไม่รู้นิ้วมือของผมมีอะไรลรืครับคราวนี้ผู้มาจากต่างถิ่นอยากรู้ลองหงายมือทั้งสองดูสิแต่ละนิ้วเนี่ยมีสามข้อก็จริงแต่ว่าเส้นต่อระหว่างข้อนั้นของคนอื่นอื่น เขาเป็นเส้นเดียวแต่ของคุณนะ่ะเป็นเส้นคู่ทั้งเส้นบนเส้นล่างแล้วก็เป็นเหมือนกันทั้งสิบนิ้วไม่เชื่อลองดูก็ได้พระนุมละมือจากการนวดยื่นมือเข้าไปใกล้ตะเกียงแล้วก็หงายดูจนเห็นจริงดังที่ภิกษุชาราบอกกล่าวทุกประการแล้วอย่างนี้ดีไหมครับหลวงพ่อมันอยู่ที่การใช้ ถ้าใช้ไปในทางดีก็ดีสุดโกูแต่ถ้าใช้ไปในทางร้ายก็ร้ายสุดกูเลยเหมือนกันจำได้ไหมตอนคุณเรียนอยู่ชั้นปฐมสามคุณต่อยเพื่อนรวมชั้นหมัดเดียวเพื่อนสลบไปเลยจริงครับหลวงพ่อภิกษุใหม่รู้สึกปิติจนน้ําตาไหลหลวงพ่อช่างวิเศษเหลือเกินเรื่องนี้ผมลืมไปแล้วหลวงพ่ อ, อยังทราบ หลวงพ่อเป็นผู้วิเศษท่านก้มลงกราบหลวงพ่อเดิมสามครั้งด้วยศรัทธาเลื่อมใสยอย่างแท้จริงฉันไม่ใช่ผู้วิเศษวิสโสอย่างที่เธอคิดหรอกนะอย่าเข้าใจผิดก็อย่างที่ฉันเคยพูดกับคุณนั่นแหละว่าถ้าจิตตั้งมั่นเสยอย่างอะไรก็ได้หมดเรื่องนิ้วมือของคุณนี่นะ่ะคุณไม่สังเกตบ้างหรือเวลาที่คุณชกต่อยกับใคร คุณคนเดียวสามารถสู้กับคนได้ตั้งหลายคนก็เคยแปลกใจอยู่เหมือนกันครับท่านนึกถึงเหตุการณ์ตอนถูกเจ้าถิ่นรุมเมื่อครั้งไปดูลิเกที่วัดไลและตอนมีเรื่องกับรุ่นพี่สมัยที่เรียนโรงเรียนในร้อยตารวจท่านคนเดียวแต่ต่อยรุ่นพี่เจ็บไปหลายคนแล้วก็เพราะมือของคุณนี่ใช่ไ้ยที่สามารถเขียนบทลิเกรเรื่องเท้าปลาจิต กับนางออรพิมพได้เป็นหลายเล่มสมุดไทยครับผมพระหนุ่มกางมือทั้งสองออกยื่นไปใกล้ตะเกียงแล้วก็ดูอย่างพินิษ์พิจารณาอีกครั้งเส้นคู่ที่อยู่ตรงลอยต่อข้อนิ้วของแต่ละข้อจะห่างกันประมาณหนึ่งกระเบียดท่านยังไม่เคยเห็นของใครเป็นอย่างนี้มาก่อนเงียบกันไปครู่หนึ่ง พระเจริญคิดว่าหลวงพ่อเดิมหลับแต่ท่านไม่ได้หลับคืนนี้ดูแปลกกว่าคืนก่อนๆซึ่งท่านต้องหลับไปสามตื่นหลวงพ่อครับแล้วมือของผมควรจะใช้ไปทางไหนดีละครับผมหมายถึงว่าทําอย่างไรจะไม่ต้องใช้ไปในทางร้ายท่านเกิดความรู้สึกกลัวบาปขึ้นมาอย่างประหลาดปกติอย่าว่าแตกจะกลัวแม้เชื่อ ท่านก็ยังไม่อยากจะเชื่อฉันไม่บอกดีกว่าเอาไว้ให้คนรู้โดยตัวเองจึนจะทราบซึ่งถ้าบอกเสียแล้วมันก็ไม่น่าตื่นเต้นจริงไหมจริงครับแล้วผมจะพยายามรู้โดยตัวเองให้ได้เอ๋หลวงพ่อครับคนโบราณตัวใหญ่กว่าคนสมัยนี้มากใช่ไหมครับคุณก็เคยเห็นมาครั้งหนึ่งแล้วไม่ใช่หรือท่านย้อนถาม ยังไม่เคยครับเคยได้ยินแต่คนแก่คนเฒ่าเขาเล่าให้ฟังครับพระนุมยังนึกไม่ออกไม่จริงมั่งลองนึกดูดีๆสิตอนที่คุณขุดลุ้มปลูกกล้วยไงละ่ะภิกษุชลาช่วยรื้อฟื้นความจำให้ผู้อาวุโสน้อยกว่าจำได้แล้วครับโอ้โหหลวงพ่อเก่งจริงๆขนาดเรื่องของผมแท้ๆ แ, และ ผมก็ยังหนุ่มยังแน่นจำไม่ได้หลวงพ่อวัยร้อยสามแล้วยังรู้ยังเห็นพูดด้วยศรัทธาเปี่ยมลน้นไม่ต้องย้ำบ่อยนักรอกว่าชั้นอายุรนะ้อยสามน่ะหลวงพ่อเดิมแกล้งยาวแต่หลวงพ่อความจำดีกว่าคนอายุ21อ็ดนี่ครับผมเห็นจะต้องขอเรียนวิชาฝึกจิตให้ตั้งมั่นจากหลวงพ่อเช่นแล้ว จะได้เก่งแบบหลวงพ่อตกลงคุณเชื่อแล้วใช่ไหยว่าคนโบราณตัวสูงใหญ่กว่าคนสมัยนี้เชื่อแล้วครับท่านนึกย้อนไปถึงอดีตสมัยเมื่อเป็นเด็กวันหนึ่งโยมยายใช้ให้ขุดหลุมเพื่อปลูกกล้วยท่านขุดไปพบโครงกระดูกคนมีทุกส่วนครบครันตอนขุดหลุมปลูกกล้วยผมพบกระดูกคนโบราณครับ ที่รู้เพราะโยมยายบอกผมลองเอาชิ้นส่วนมาต่อกันสูงตั้งวากับคืบหัวกะโหลกใหญ่เท่ากับบาทนะครับนั่นสิแต่น่าเสียดายที่คุณเผาทิ้งไปเสียแล้วโยมยายสิครับเป็นคนบอกให้ผมเผาท่านกลัวเขาจะไม่ได้ไปเกิดอันที่จริงโยมยายผมฉลาดรอบรู้มากเก่งไปหมดไม่ว่าเรื่องอะไร มีเรื่องนี้เรื่องเดียวที่ผมลงความเห็นว่าท่านไม่เก่งอย่าไปติเตียนบุพการีเขาก็มีเหตุผลของเขามันไม่เกี่ยวกับเรื่องเก่งหรือไม่เก่งหรอกยายของคุณเป็นคนฉลาดหลักแหลมและที่สำคัญคือเป็นสัมมาทิฏฐิซึ่งอันเนี้ยสำคัญที่สุดเพราะคนเราถ้ามีสัมมาทิฏฐิก็เท่ากับดี ได้ร้อยละแปดสิบแล้วถ้าทำความดีเพิ่มอีกยี่สิบก็มั่นใจได้เลยว่าจะไม่ตกไปสู่อบายภูมิคุณจำที่ฉันพูดไว้สักอย่างนึงว่าในอนาคตคนที่เป็นมิจฉาทิฏฐิกันมากพวกเขาจะไม่เชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษไม่เชื่อเรื่องนรกสวรรค์ไม่เชื่อ ก็พากันทำความชั่วยอย่างไม่สะทกสะทานคุณโชคดีที่เกิดในครอบครัวเป็นสัมมาทิฏฐิและหากคุณดำรงอยู่ในสมณะเพศต่อไปก็จะเป็นประโยชน์มหาศาลต่อเพื่อนร่วมโลกน่าแปลกที่คำพูดของภิกษุชาราไม่ได้ทำความขัดเคืองใจให้กับพระภิกษุเหมือนเช่นทุกครั้งมาบัดนี้ท่านรู้สึกเฉย จะสึกหรือไม่สึกท่านก็จะไม่สนใจอีกต่อไป